ธรรมบทแปลเรื่องพระเทวทัตภาคที่หนึ่งเรื่องที่ส2บสองพระศาสดาเมื่อประทับอยู่นะพระเจตวันทรงปรารถพระเทวทัตตรัสพระคถานี้ว่าอิทตัตตปติเปจตปติคนย่อมเดือดร้อนในโลกนี้ ละไปแล้วก็ย่อมเดือดร้อนเป็นต้นเรื่องพระเทวทัตพระาศาสดาตรัตชาดกทั้งหมดที่ส่งปรารบพระเทวทัตให้พิสดารแล้วตั้งแต่เวลาผนวดจนถึงถูกแผ่นดินสูบก่อความย่อในเรื่องพระเทวทันี้มีดังต่อไปนี้เมื่อพระาศาสดา ทรงอาศัยนิคมชื่ออนุปยะแห่งมรลคศาสตร์ประทับอยู่ที่อนุปยะอัมพวันนั่นแหลในวันรับพระลักษณะแห่งพระตถาคตนั่นเดียวตระกูลพระญาติแปดมื่นมอบพระโอรสแปดมืนให้ด้วยคำว่าสิทธัตถ ก, กุมารจงเป็นพระราชาก็ตาม เป็นพระพุทธเจ้าก็ตามจะมีขษัตเป็นบริวารเที่ยวไปเมื่อพระโอรถเหล่านั้นบรวดแล้วโดยมากเราพระญาติเห็นสากยะหกพระองค์นี้คือพัตติยราชาอนุรุธะอันันทะพรคุกิมพิละเทวทัต ย, ยังไม่ได้ผนวดจึงสนทนากันว่า พวกเรายัางให้ลูกๆของตนบวชได้สาขยะทั้งหกนี้ชะราอยจะไม่ใช่พระญาตกระมังเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้ส่งปนวนกระนันเจ้ามหานามสาขยะจึงเข้าไปหาเจ้าอนุรุธะและตรัสว่าพ่อผู้ออกบวชจากตระกูลของเรายังไม่มีน้องจะบวชหรือว่าจะให้พี่บวช ก็เจ้าอนุรุทธากุมารนั้นเป็นกษัตริย์ผู้สุขุมาร า, าติมีโภค้าสมบูรณ์แม้คำว่าไม่มีพระองค์ก็ไม่เคยได้สดับจึงอยู่วันหนึ่งเมื่อกษัตริย์หกพระองค์นั้นทรงกีฬาลูกกลุบคือการเล่นคลีอยู่เจ้าอนุรุทธทรงปราชัย คือแพ้พนันด้วยขนมคือแพ้พนันด้วยขนมจึงส่งคนไปเพื่อต้องการขนมคราวนั้นพระมารดาของท่านทรงจัดขนมส่งไปกษัตริย์ทั้งหกสวยแล้วก็ส่งเล่นกันอีกเจ้าอนุรุธะนั่นแหลเป็นฝ่ายแพ้ร่ำไปส่วนพระมารดา เมื่อพระอ ง, งค์ส่งคนไปส่งคนไปก็ส่งขนมไปถึงสามครั้งในวาระที่สี่ส่งไปว่าขนมไม่มีพระกุมารทรงสำคัญว่าขนมแม่นี้จะเป็นขนมประหลาดชนิดหนึ่งเพราะไม่เคยส่งได้ยินคำว่าไม่มีจึงส่งคนไปว่าจงนาขนมไม่มีนั่นแลมาเถอะ ไ่าพระมารดาของท่านเมื่อเขาทูนว่าขค่แต่พระแม่เจ้าได้ยินว่าพระองค์จะประทานขนมไม่มีจึงมีความนํารืา่อว่าลูกของเราไม่เคยได้ยินคําว่าไม่มีแต่เราจะให้รู้ความนั้นด้วยอุบายนี้จึงทรงปิดถาดทองคำเปล่าด้วยถาดทองคำอีกใบหนึ่งแล้วก็ส่งให้ไป เหล่าเทวดาที่รักษาบรณรณกรณ์คิดว่าเจ้านุรุทธะสักยะได้เคยถวายพัดอันเป็นส่วนตัวแก่พระปัจเจกพุทธเจ้านามว่าอุปริธในคราวที่ตนเป็นนายอนนาภาระจงทำความปรานาไว้ว่าขอข้าพเจ้าจงหย่าได้สดับคํคำว่าไม่มีอย่ารู้สถานที่เกิดแห่งโพชนะ ก็ถ้าว่าเจ้าอนุรุธานี้จะทรงเห็นถาดเปล่าใช้พวกเราก็จะไม่ได้เข้าไปสู่เทวสมาคมทั้งศีรษะของพวกเราก็จะพึงแตกเจ็ดเสียงทีนั้นเทวานั้นจึงได้ทำถาดนั้นให้เต็มด้วยขนมทิพย์พอเขาวางลงที่สนามเล่นกลุบแล้วเปิดขึ้นกลิ่นขนมก็ฟุ้งตลบไปทั่วทางพระนคร ชิ้นขนมพอกระสัทั้งหกหยิบเข้าไปในพระโอษฐ์คือปากเท่านั้นก็แผ่ซ่านไปทั่วประสาทรับรสทั้งเจ็ดพันพระกุมาร น, นั้นทรงมีความเดำรีว่าเราคงไม่เป็นที่รักของพระมารดาพระมารดาจึงไม่ทรงปรุงชื่อขนมไม่มีนี้ประทานเราตลอดเวลาถึงเพียงนี้ตั้งแต่นี้ไป เราจะไม่กินขนมเอ่นดังนี้แล้วสเสด็จไปสู่ตำหนักทูลถามพระมารดาว่าเจ้าแม่หม่อมฉันเป็นที่รักของเจ้าแม่หรือไม่เป็นที่รักพระมารดาพอ่อพ่อย่อมเป็นที่รักยิ่งของแม่เสมือนในตาของคนมีตาข้างเดียวและเหมือนดวงใจของแม่ฉะนั้นอนุรุตะ ก็ถ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นเหตุไรเจ้าแม่จึงไม่ทรงปรุงขนมไม่มีประทานแก่หม่อมฉันตลอดเวลาถึงเพียงนี้เล่าพระนางจึงรับสั่งถามมหาดเล็กคนสนิทบ่าขนมอะไรอะไรมีอยู่ในถาดหรือพ่าวเขาตุนว่าข้าแต่พระแม่เจ้าถาเต็มเปี่ยมด้วยขนมชื่อว่าขนมเห็นป่า น, นี้หม่อมฉันก็ยังไม่เคยเห็นแล้ว พระนางจึงทรงพระดำริว่าบุตรก็เราจะเป็นผู้มีบุญมีอภินหารได้ทำไว้แล้วเทวดาทั้งหลายจะใส่ขนมให้เต็มถาดแล้วส่งไปแล้วลำแบบนั้นพระโหรสจึงทูลพระมารดาว่าเจ้าแม่ตั้งแต่นี้ไปหม่อมฉันจะไม่สบยขนมอื่น ขอจะแม่พึงปรุงแต่ขนมไม่มีอย่างเดียวตั้งแต่นั้นมาเมื่อพระกุมาร น, นั้นทูลว่ามอมฉันต้องการขนมพระนางก็ส่งครอบถาดเปล่านั้นแลด้วยถาดอีกใบหนึ่งส่งไปประทานพระกุมาร น, นั้นเทวดาทั้งหลายส่งขนมทิพถวายพระกุมาร น, นั้นตลอดเวลาที่ท่านเป็นกะลาวัด พระกุมาร น, นั้นเมื่อไม่ทรงทราบแม้คํามีประมาณเท่านี้จะทรงทราบถึงการบวชได้อย่างไรเพราะฉะนั้นแล้พระกุมารจึงทูลถามพระภาดาคือพี่ชายว่าการบวชนี้เป็นอย่างไรแม่เจ้ามานามาก็ตรัสว่าผู้บวชต้องโกนผมและหนวดต้องนุ่งห่มผ้ากาสายะต้องนอนบน เรื่องลาดด้วยไม้หรือบนเตียงที่ถักด้วยหวายบินดาบาดอยู่นี้ชื่อว่าการบวชเจ้าโนรุธ้จึงทูลพระพาดาว่าเจ้าพี่หม่อมฉันเป็นสุกมลร า, าตหม่อมฉันจะไม่สามารถบวชได้เจ้ามานามเพราะถ้าอย่างนั้นพ่อจงเรียนการงานอยู่เป็นคารวะเถิดก็ในเราทั้งสองจะไม่บวชเลยสักคน ไม่สมควรแน่ขนะนั้นอนุรุณทากุมารจึงทูลถามเจ้าพี่ว่าก็แล้วชื่อว่าการงานนี้เป็นอย่างไรก็กุลบุตรผู้ไม่รู้แม้สถานที่เกิดแห่งพัดจะรู้การงานได้อย่างไรก็วันหนึ่งการสนทนาเกิดขึ้นแก่กษัตริย์สามมงว่าชื่อว่าพัดเกิดที่ไหน กิมพิลกุมารรับสั่งว่าเกิดในช้างครานันภัตยกุมารจึงตรัสการกิมพิลกุมาร น, นั้นว่าท่านยังไม่ทราบที่เกิดแห่งพัทชื่อว่าพัทย่อมเกิดในหมอข้าวอนุรุตจึงตรัสแย้งว่าถึงท่านทักงสองก็ยังไม่ทราบธรรมดาพัทย่อมเกิดในถาทองคําประมาณสอกกรรมก็ได้ยินว่า บรรดากษัตริย์สามองคนั้นวันหนึ่งกิมพิละกุมารทรงเห็นเขาขนข้าวเปลือกลงจากฉางจึงเข้าใจว่าข้าวเปลือกเหล่านี้เกิดขึ้นในฉางนั่นเองฝ่ายพระพัติยกุมารวันหนึ่งทรงเห็นเขาคดพัดออกจากหม้อข้าวจึงทรงเข้าใจว่าพัดเกิดในหม้อข้าวนั่นเอง ส่วนนุนุรุากุมารยังไม่ทรงเห็นคนซ้อมข้าวเปลือกคนหุงข้าวหรือคนคดข้าวทรงเห็นแต่ข้าวที่เขาคดแล้วตั้งไว้เฉพาะพระพักเท่านั้นท่านจึงทรงเข้าใจว่าพัดเกิดในทาดในเวลาที่ต้องการบริโภคกษัตริย์ทั้งสามองค์นั้นย่อมไม่ทรงทราบแม้ที่เกิดแห่งพัด ด้วยประการชนีประเหตุ น, นั้นอนุรุทธากุมารจึงทูลถามว่าก็ชื่อว่าการงานนี้เป็นอย่างไรกรันได้ฟังกิจการงานที่การวะจะพึงทำประจําปีมีอธิ่าเบื้องต้นต้องให้ไถนาจึงตรัสว่าเมื่อไหร่ที่สุดแห่งการงานทั้งหลายเหล่านี้จะปรากฏ เมื่อไรหม่อมฉันจึงจะมีความขวนขวายน้อยใช้สอยโปคทรัพย์ได้เล่าเมื่อเจ้ามานามะตรัสบอกความไม่มีที่สุดแห่งการงานทั้งหลายแล้วจึงทูลว่าถ้าอย่างนั้นขอเจ้าพี่นั่นแหละทรงครองคารวะเถิดหม่อมฉันหาต้องการด้วยคารวะนั้นไม่นานนี้แล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระมารดากราบทูลว่าเจ้าแม่ ขอเจ้าแม่อนุญาตหม่อมฉันเถิดหม่อมฉันจบวนเมื่อพระนางทรงห้ามถึงสองครั้งแล้วจึงตรัสว่าถ้าพระเจ้าพัตยะพระสายของลูกจะผนวดใช้ลูกจงบวชพร้อมด้วยเธอเถิดเจ้าหนุรุะจึงเข้าไปหาเจ้าพัตยะแล้วตรัสขึ้นว่าสหายการบวชของฉันเนื่องด้วยกับของเธอ แล้วได้ยังพระปฏิยานั้นให้ทรงยินยอมด้วยประการต่างๆในวันที่เจ็ดทรงรับปติญญาเพื่อประโยชน์จะพนุษกับด้วยพระองค์แต่นั้นกษัตริย์ทั้งหกองค์นี้คือพฏิยาสักราชอนุรุทธะอนน์ภาคุกิมพีละและเทวทัตุเป็นเจ็ดทั้งอุาลี ในภูสามาราส่งสวบมาหาสมบัติตลอดเจ็ดวันประดุษเทวดาแล้วจึงเสด็จออกด้วยเหล่าเซนาทั้งสี่ประหนึ่งว่าเสด็จไปพระอุทยานถึงแดนกษัตริย์พระองค์งอื่นแล้วทรงส่งกองทัพทั้งสิ้นให้กลับด้วยพระราชา ญ, ญาเสด็จย่างเข้าสู่แดนกษัตริย์พระองค์งอื่น ในใจคนนั้นกษัตริย์หกพระองค์ส่งเปลืองอาพรของตนของตนทำเป็นห่อแล้วรับสั่งว่าเนี่ยนอุบาลีเชิญเธอกลับไปเถิดทับเท่านี้พอเลี้ยงชีวิตของเธอแล้วประทานแกนายอุบาลีเขาก็กลิ้งเกลือกรำพันแทบเท้าของกษัตริย์ทหก แต่เมื่อไม่อาจล่วงอาจยาของกษัตริย์เหล่านั้นจึงลุกขึ้นถือห่อของเหล่านั้นกลับไปในการแห่งชนเหล่านั้นเกิดเป็นสองพวกป่าได้เป็นประหนึ่งบ้าถึงซึ่งการร้องไห้แผ่นดินได้เป็นประหนึ่งว่าถึงซึ่งอาการหวันไหวไฟอุบาลีภูสามาลาไปได้หน่อยหนึ่งก็กลับ ด้วยคิดอย่างนี้ว่าพวกสักยะนี้ดุดร้ายยิ่งนะักจะพึงฆ่าเราเสียด้วยเข้าใจว่าพระกุมารทั้งหลายถูกเจ้าคนนี้ปรองพชนเสียแล้วดังนี้ก็ได้ก็ธรรมดาว่าสากยะกุมารเหล่านี้ทรงสละสมบัติเห็นปานนี้ทิ้งอาภรณ์อันหาฆ่าไม่ได้เหล่านี้เสียดังก้อนเคล้าแล้วจะผนวช ก็จะกลาไปใหญ่ถึงเราเล่ากิ ด, ดังนี้แล้วจึงแก้ห่ อ, อของออกเอาอาภรณ์เหล่านั้นแคว้ไม้บนต้นไม้แล้วกล่าวว่าผู้มีความต้องการทั้งหลายจงถื อ, อเอาเถิดแล้วไปสู่สำนักของสาคยะกุมารเหล่านั้นผู้อันสาคยะกุมารเหล่านั้นตรัถามว่าเธอกลับมาทำไม ใดอุบาลีก็ได้กราบทูลความก่อนนั้นแล้วหลังๆนั้นสายขยะกุมารเหล่านั้นทรงพากันเข้าไปสู่สำนักของพระาศาสดาถวายบังคมแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ทั้งหลายชื่อว่าเป็นพวกสักยะมีความถือตัวประจําสันดานผู้นี้เป็นคนรับใช้ของพวกข้าพระองค์ตลอด ราตรีนานขอพระองค์โปรดให้ผู้นี้บวชก่อนข้าพระองค์ทั้งหลายจะทำสามีจิกรรมมีการอภิปรายเป็นต้นแก่เขาความถือตัวของข้าพระองค์จะสั่งสิ้นไปด้วยกันอย่างนี้เราให้อุบาลีนั้นบวชก่อนภายหลังตัวจึงได้ส่งบนณนุบรรดาสักยะภิกษุหกรูปนั้นเ่านพระพัติยะ ได้เป็นพระอาหารหันต์ในวิชโช ค, คือบรรลุวิชาสามโดยระหว่างปรรษานั้นนั่นเองท่านพระอนุรุะเป็นผู้มีทิพยจักสุภายหลังทรงฟั ง, ฟงมหาปุริวิตกกะสูตรก็ได้บรรลุพระอราหัสต์แล้วท่านพระนนท์ได้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิปนแล้วพระพระคุเทระ และพระกิมพิละเทระภายหลังเจริญวิปัสสนาก็ได้บรรลุพระอรหันต์ส่วนพระเทวดาได้บรรลุฤทธิ์นันเป็นของปุถุชนในการต่อมาแม้พระาศาสดาประทับอยู่ที่กรุงโกสัมพีลาบและสาการะเป็นอันมากเกิดขึ้นแก่พระตาคตพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวก มนุษย์ทั้งหลายในกรุงโกสัมพีนั้นถือผ้าและเภศสัตวเป็นต้นก็ไปสู่วิหารแล้วถามกันว่าพระศัสดาประทับอยู่ที่ไหนพระสาริบุตรเทระอยู่ที่ไหนพระมหาโมคขลานาเทระอยู่ที่ไหนพระมหากัสสปะเทระอยู่ที่ไหนพระพัตติยะเทระอยู่ที่ไหนพระอนุรุธทธเทระอยู่ที่ไหนพระอนนุเทระอยู่ที่ไหน พระะคุเทระอยู่ที่ไหนพระกิมพิลาเทระอยู่ที่ไหนเราก็ได้ตรวจดูที่นั่งแห่งอสีติมหาสาวกส่วนบุคคลผู้ถามว่าพระเทวทัตเทระนั่งหรือยืนที่ไหนหนังนี้ไม่ได้มีเลยพระเทวทัตนั้นจึงคิดว่าก็เราบวชพร้อมกับด้วยสาขยาเหล่านี้เหมือนกันแม้สาขยาเหล่านี้ เป็นขติยาบัญปชิตแม้เราก็เป็นขติยาบัญปชิตพวกมนุษย์ตือลาบและสาการะแสวงหาท่านเหล่านี้อยู่ผู้เอ่ยถึงชื่อของเราบ้างไม่ได้มีเราจะสมคบ ก, กับใครหนอแลพึงยังใครให้เลื่อมใสแล้วยังลาบสาการะให้เกิดขึ้นแกนเราชุนได้ที่นั้นความ ต, ตกลงใจจึงได้มีแก่เธอว่า พระเจ้าพิมพิสานนี้พร้อมด้วยบริวารสบิบเดนัุตทรงดำรงอยู่ในโสดาปติผลแล้วด้วยการเห็นครั้งแรกนั่นแลเราไม่อาจสมคบกับพระราชานั้นได้แม้กับพระเจ้าโกศก็ไม่สามารถจะสมคบได้ส่วนพระอาชาติสตรูกมุมารพระโอรสของพระราชาพระเจ้าพิมพิสานนี้แล ยังไม่รู้คุณและโทษของใครๆเราจะสมคบกับพระกุมาร น, นั่นพระเทวทัตจึงออกจากกรุงโกสัมพีไปสู่กรุงราชฤทธิ์นริมิตรเพศเป็นกุมารน้อยพันนสรพิษสี่ตัวที่มือและเท้าทั้งสี่ตัวหนึ่งที่คอตัวหนึ่งทาเป็นเสื้อตบนสีสะตัวหนึ่งทาเสียงบ่าคือสังวาน ลงจากอากาศด้วยสังวานูนี้นั่งบนพระเพลาคือตักของอาชาติศัตรูกุมารเมื่อพระกุมาร น, นั้นทรงกลัวแล้วได้ตรัสถามว่าท่านเป็นใครเทวทัตจึงถาวายพระอรบ่าอาตมาภาพคือเทวทัตเพื่อจะบรรเทาความกลัวของพระกุมารจึงกลับอาตภาพนั้นเป็นภิกษุ ทรงสังคติบาทและจิอบอลยืนอยู่เบื้องหน้ายัางพระกุมาร น, นั้นให้ทรงเลือ่อมใสยังลาบและสาการะให้เกิดแล้วตอนพระเทวทัตพยายามฆ่าพระพุทธเจ้าพระเทวทัตนั้นถูกลาบและสาการะกรอบงามแล้วยังความคิดมันลมโมให้เกิดขึ้นว่า เราจะบริหารหมู่ภิกษุดังนี้แล้วก็เสื่อมจากฤทิพร้อมด้วยจิตตุปบาทได้เข้าไปถวายบังคมพระศาสดาซึ่งกำลังแสดงธรรมแก่บริษัทพร้อมด้วยพระราชาในเวรู้วันวิหารลุกจากอาสนะแล้วประกองอัญชรีกราบทุนบาพระเจ้าค่าเวลานี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชราแก่เท่าแล้วขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นผู้ขวนขวายน้อยประกอบเนือ ง, งซึ่งทำเครื่องอยู่สบายในทิศ ธ, ธรรมเถิดหม่อมฉันจะ บ, บริหารภิกษุสงฆ์ขอพ ร, ระองค์โปรดมอบภิกษุสงฆ์แก่หม่อมฉันเถิดดังนี้แล้วถูกพระศาสดาทรงรุกราน ด้วยเขลาสิกาวาทะคือวาทะว่าผู้บริโภคปัจจัยดุดน้ำลายส่งห้ามแล้วเทวทัตไม่พอใจได้ผูกอาคาตในพระตถาคตเป็นครั้งแรกแล้วก็หลีไปเราะนั้นพระผู้มีพระพาทเจ้ารับสั่งให้ทำปะกาศนียธรรมคือกรรมอันสงควรประกาศ ในกรุงราชจกรฤกแก่เทวทัวตแล้วเลิคิดว่าเดี๋ยวนี้เราถูกพระสมณโคดมกำจัดเส็จแล้วบัด น, นี้เราจะทำความพินาศแก่พระสมณโคดมนั้นดังนี้แล้วจึงเข้าไปเฝ้าอาชาตสตรูกุมารทูลว่าพราะกุมารเมื่อก่อนมนุษย์ทั้งหลายมีอายุยืนบัด น, นี้มีอายุสั้นก็ข้อที่พระองค์ พึงที่บงคตเสียตั้งแต่ยังเป็นพระกุมาร น, นั่นเป็นฐานะที่มีอยู่แล้วพระกุมารให้กรณ์ น, นั้นพระองค์จงสำเร็จโทษพระบิดาแล้วขึ้นเป็นพระราชาเถิดอาตมาสำเร็จโทษพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็จะเป็นพระพุทธเจ้าการเมื่อพระกุมารนั้นดำรงอยู่ในราชสมบัติแล้วได้แต่งตั้งบุรุษทั้งหลาย เพื่อจกฆ่าพระตถาคตครั้นเมื่อบรุษเหล่านั้นบนรรลุโสดาปติผลกลับไปแล้วเทวทัตจึงขึ้นเขาคิดจ ก, กูดเองกลิ่งศิลาด้วยจงใจว่าเราจะปลงพระชนพระสมณโคดมได้ทำกรรมคือยังพระโลหิตให้ห่อขึ้นเมื่อไม่อาจฆ่าด้วยอุบายแม้นี้ จึงให้ปล่อยช้างนาราคิรีไปอีกเมื่อช้างนั้นกำลังเดินมาพระอานนติระยอมสละชีวิตของตนถวายพระาศาสดาและยืนขวางหน้าแล้วพระาศาสดาทรงทรมานช้างแล้วได้เสด็จออกจากพระนครมาสู่พระวิหารสวยมาหาทานที่พวกอุบาสก อุบาสิกาหลายพันนํามาแล้วทรงสแสดงอนุปปพีกาถาพระเจ้ากรุงราชฤกษ์นับได้สิบแปดโกดซึ่งประชุมกันในวันนั้นธรรมมาพิสมัยเกิดมีแก่สัตว์ประมาณแปดมืนสี่พันพระผู้มพระภาคเจ้าทรงสดับพัญ น, นาคุลกองพระเตระว่าโอ้ท่านพระนนท มีคุณมากเมื่อพระยาช้างชื่อเห็นปานนั้นมาอยู่ได้ยอมสละชีวิตของตนยืนข้างหน้าพระศ า, ศาสดานานี้แล้วพระศาสดาจึงตรัสว่าพิกษรทั้งหลายไม่ใช่แต่บัด น, นี้เท่านั้นถึงในกาลก่อนอ น, นุอนนี้ก็ยอมสละชีวิตเพื่อประโยชน์แห่งเราแล้วเหมือนกันอันพิกษณุณทั้งหลายทูนอ้อนวอนแล้ว จึงตรัสจุะหังสาชาดกมหาหังสาชาดกกักะตะกะหรือกักการุชาดกกรรมแม้ของพระเทวทัตเพราะอย่างพระเจ้าอาชาติศัตรูกุมารให้สาเร็จโทษพระราชาให้สาเร็จโทษพระชาพิมพิสารเสียก็ดีพระแต่งนายกำลังธนูก็ดีพระกลิ่งศิลาก็ดี มิได้ปรากฏเหมือนพระไปลายช้างนาราคิลีเลยคราวนั้นแลมหาชนได้โจดจันกันขึ้นว่าแม้พระราชาก็พระเทวทัตนั่นเองเป็นผู้ให้สำเร็จโทษเสียแม้ในกมลังธนูก็พระเทวทัตนั่นเองแต่งขึ้นแม้ศิลาก็พระเทวทัตเหมือนกันกลิ้งลงและในแบบ น, นี้ เธอได้ปล่อยช้างนาราคิรีพระราชาทรงเที่ยวคบคนลามกเห็นป่านนี้พระราชาทรงสดับถ้อยคำของมหาชนแล้วจึงนำสำรับห้าร้อยคื่นมามิได้เสด็จไปยังที่อุปตากของพระเทวตัน น, นอีกถึงชาวรันธกรก็มิได้ถวายแม้วัตถุสักว่าพิกษาแก่เธอซึ่งเข้าไปยังสกุล พระเทวทัตนั้นเสื่อมจากลาบและสักการะแล้วประสงค์จะเลี้ยงชีวิตด้วยการหลอกลวงจึงเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาทูลขอวัตถุ5ประการคือการเป็นผู้เที่ยวบิณฑบาตตลอดชีวิตการอยู่ป่าเป็นวัดตลอดชีวิตการไม่พึงฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิตการถือผ้าบังสุ ก, กุลตลอดชีวิต การอยู่โคนไม้เป็นวัดตลอดชีวิตเมื่อพระาศาสดาทรงห้ามว่าอย่าเลยเถททิดพระทัผู้ใดปรารถนาผู้นั้นก็จงเป็นผู้อยู่ป่าเถิดดัง น, นี้เป็นต้นแล้วพระเถิดพระทัจึงกล่าวขึ้นว่าผู้มีอายุคำของใครจะงามของพระตถาคตหรือของข้าพเจ้าก็ข้าพเจ้ากล่าวด้วยสามารถครอปฏิบัติ อย่างอุกฤษอย่างนี้ว่าดังข้าพระองค์ขอพระธานโ อ, อกาสขอพิสุทั้งหลายจงเป็นผู้อยู่ป่าเที่ยวบินนาบาด ท, ทรงผ้าบางสุกุลอยู่คนไม้อย่าพึงฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิตผู้ใดใคร่จะพ้นจากทุกผู้นั้นจงมากับเราดังนี้แล้วก็หลีกไปพิสุบางพวกบวนใหม่มีความรู้น้อย ได้สดถาทไรคำของพระเทวตัตนั้นแล้วชักชวนกันบ่าพระเทวทัตพูดถูกพวกเราจะเที่ยวไปกับพระเทวตัตนั้นดัอนี้แล้วก็ได้สมคบคิดกับเธอพระเทวตัตรพร้อมด้วยภิกษุห้าร้อยรูปยังชนผู้เลื่อมใสในของเศร้าหมองให้ยอมรับด้วยวัตถุห้าประการนั้น เที่ยวขอปัจจัยในสกุลทั้งหลายมาบริโภคพยายามเพื่อทำลายสงแล้วเทวทัตหันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตา ม, มาเทวทัตได้ยินว่าเธอพยายามทำลายสงเพื่อทำลายจากจริงหรือข้อนั้นจริงพระผู้มีพระภาคแม้พระองค์ทรงโอวาท ด, ด้วยผุตพจนอาติวา่า เทวทัตการทำลายสงฆ์มีโทษหนักนะก็มิได้เชื่อถือพระวจ า, าของพระาศาสดาได้หลีกไปพบท่านพระอ น, นุ์ซึ่งกำลังเที่ยวบินาบาตในกรุงราชุกฤจึงกล่าวว่าผู้มีอายุอ น, นุนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพระเจ้าจะทำมือโบสดจะทำสังกกรรมเว้นจากพระผู้มีพระภาคเจ้า เห็นจากภิกษุสงฆ์ท่านปรา น, นุนจึงได้กราบทูลความข้อนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระศาสดาทรงทราบความนั้นแล้วเกิดธรรมะสังเบสทรงปริวิตกว่าเทวทัตทำกรรมอันเป็นเหตุให้ตนไม่ใน เ, เบจีอันเกี่ยวเนื่องถึงความหายนะแก่สัตว์โลกทั้งเทวโลก เนนีแล้วจึงตรัสพระกาถานี้ว่ากรรมทั้งหลายที่ไม่ดีและไม่เป็นประโยชน์แก่ตนทำได้ง่ายกรรมใดแลเป็นประโยชน์ด้วยดีด้วยกรรมนั้นและทำได้ยากยิ่งกรรมดีคนดีทำได้ง่ายกรรมดีคนชั่วทำได้ยากกรรมชั่วคนชั่วทำได้ง่าย กํชั่วพระอริยเจ้าทั้งหลายทำได้ยากครั้งนั้นแหลพระเถรวัตถนั่งนะส่วนข้างหนึ่งพร้อมด้วยบริษัทกองตนในวันอุโบสถกล่าวว่าหมือถุห้าประการเหล่านี้ย่อมชอบใจแก่ผู้ใดผู้นั้นจงจับสลากเมื่อพวกภิกษุวจีบุตรห้ารารูปผู้บวชใหม่ ยังไม่รู้จักธรรมวินัยที่พระผู้มีพระพากเจ้าทรงบัญญัติทั่วถึงจึงจับสลากกันแล้วได้ทำลายสงพาภิกษุนั้นไปสู่ขยาศีสะประเทศพระศาสดาทรงสับความที่พระเทวทัศนั้นไปแล้วณที่นั่นจึงทรงส่งพระอัครส า, าวกทั้งสองใบ เพื่อประโยชน์แก่การนำพิสูจน์เหล่านั้นมาพระอันตสาวกทั้งสองนั้นไปณนะที่นั้นแล้วพร่ำสอนอยู่ด้วยคำสอนเป็นอาเทศนาปฏิหารและอิทธิปฏิหารอย่างพิสูจน์เหล่านั้นให้ดื่มอมตะทำแล้วได้พามาทางอากาศฝ่ายพระโกกาลิกะได้กล่าวว่าเทวดาผู้มีอายุ ลุกขึ้นเถิดพระสารีบุตรและพระโมกขลานะนำเอาพิสูจน์เหล่านั้นไปหมดแล้วผมบอกท่านแล้วไม่ใช่หรือว่าท่านอย่าไว้ใจพระสารีบุตรและพระโมกขลานะเพราะพระสารีบุตรและพระโมกขลานะมีความปรารถนาลามกรู้อำนาจแห่งความปรารถนาลามกดังนี้แล้วก็เอาเข่ากระแทกที่สวงอกกองพระเทวดา เลือดอุ่นๆได้พุ่งออกจากปากพระเทวทัตในที่นั่นเองตอนบรุรพกรรมของพระเทวทัตฝ่ายพวกพิกสุเห็นท่านพระสารีบุตรมีพิสุสงแวดล้อมมาทางอากาศแล้วกราบตุนบากข้าแต่พระผู้เจริญท่านพระสารีบุตรในเวลาไป มีตนเป็นที่สองเท่านั้นไปแล้วบัดนี้มีบริวารมากมายย่อมงามแท้ภิกษุทั้งหลายมิใช่บัดนี้เท่านั้นแม้ในการที่เธอเกิดในกำเนิดเดรัชานบุตรของเรามาสู่สำนักของเราย่อมงามเหมือนกันแล้วได้ตรัสก้อความในลักษณะชาดกนี้ว่าความจำเริญ ม, มีแก่ผู้มีศีลทั้งหลายผู้ประพฤติปฏิสันถาน์ท่านจงดูเนื้อชื่อลักขณะอันหมู่ญาติแวดล้อมมาอยู่อหนึ่งท่านจงดูเนื้อชื่อกาลนี้ที่เสื่อมจากญาติทั้งหลายทีเดียวดัง น, นี้เป็นต้นเมื่อพวกปิกษุกราบทูนิกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญได้ทราบว่าพระเทวทัต ให้พระอัครสาวกสององค์นั่งที่ข้างทั้งสองแล้วกล่าวว่าเราจะแสดงธรรมด้วยพุทธลีลาทำกิริยาตามอย่างโปรง่งแล้วพระผู้มีพระภาคจริตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่บบบ น, นี้เท่านั้นแม้ในครั้งก่อนเทวดานี้ก็พยายามทำตามเยี่ยงอย่างของเราแต่ไม่สามารถ เรอได้ตรัสข้อความในนาทีจาระกากะชาดกดังนีว้ว่าเออกวีรกะท่านย่อมเห็นนกชื่อสวิทกะซึ่งร้างเสียงไพเราะมีไส้คอเหมือนนกยูงซึ่งเป็นผัวของฉันไหมนกสวิทกะทำเยี่ยงนกที่เที่ยวไปได้ทั้งในน้ำและบนเขาบริโภคปลาสดเป็นนิดนั้น ถูกสลายพันตายแล้วดนี้เป็นต้นแม้วันอื่นๆอีกทรงปรารคเช่นนั้นเหมือนกันประชาดกทั้งหลายในกันทะคละกะชาดกว่านกกรไรนี่เมื่อจะเจาะซึ่งหมู่ไม้ทั้งหลายได้เที่ยวไปแล้วหนอที่ต้นไม้อวัยวะเป็นไม้แห้งไม่มีแกน ภายหลังมาถึงไม้ตะเกียนที่มีแก่นเถิดแล้วได้ทำลายสมองของตัวเองแล้วและตรัสข้อความในวิโรจนชาดกว่าไขข้อของท่านไหลออกแล้วกระหมาของท่านอันช้างเหยียบแล้วชิกรงทุกข์ที่ของท่านอันช้างหักเสียแล้วคราวนี้งามหน้าละสีเพื่อนและทรงปรารบกถาว่า เทวทัตเป็นคนอักตันอยู่จึงตรัสชาดกทั้งหลายที่มาในชวะสกุณชาดกว่าข้าพเจ้าได้ทำกิดให้ท่านจนสุดกำลังของข้าพเจ้าที่มีอยู่เดียวก้าแต่พยาเนื้อข้าพเจ้าขอนอบน้อมต่อท่านข้าพเจ้าน่าจะได้อะไรอะไรบ้างสิข้อที่ท่านอยู่ในระหว่างฟันของเรา ผู้มีโลหิตเป็นปักษาทำกรรมหยาบช้าเป็นนิดยังเป็นอยู่ได้ก็เป็นลาบมากอยู่แล้วและปรารบความตะเกียตกายเพื่อจะฆ่าพระผู้มีพระภาคของพระเทวตัตนั่นเองแล้วตรัสข้อความที่มาในกุรุงคะมิคะชาดกดังนี้ว่าดูก่อนไม้มะลื่นข้อที่เจ้ากลิ้งมานี้กวางรู้แล้ว เราจะไปยังไม้มะลื่นต้นอื่นเพราะว่าผลของเจ้าเราไม่ชอบใจเมื่อคถายังเป็นไปอยู่อีกว่าพระเทวทัตเสื่อมแล้วจากผลสองประการคือจากลาบสาการะประการหนึ่งจากสามัญญผลประการหนึ่งประผู้มีพระพากเจ้าจึงตรัสว่าเพกงสุดทลาย ไม่ใช่บาด น, นี้เท่านั้นแม้ครั้งก่อนพระเทวทัตก็เสื่อมแล้วเหมือนกันดังนี้เป็นต้นจึงตรัสข้อความที่มาในอุพะโตพัทธชาดกหึังนี้ว่าตาทั้งสองแตกแล้วผ้าก็หายแล้วและเพื่อนบ้านก็บาดหมาง ก, กันผัวและเมียสองคนนี้มีการงานเสียหายแล้วทั้งสองทาง คือทั้งทางน้ำและทางบกพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในกรุงราชกฤชทรงปรารบพระเทวทัตพระชาดกเป็นอันมากด้วยประการอย่างนั้นแล้วสเสด็จออกจากกรุงราชกฤชไปสู่เมืองสาวัตถีประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารตอนพระเทวทัตให้สาวก นำไปเฝ้าพระาศาสดาฝ่ายพระเทวทัตแลเป็นไข้ถึงเก้าเดือนในการสุดท้ายใกล้จะเฝ้าพระาศาสดาจึงบอกพวกสาวกของตนว่าเราใกล้จะเฝ้าพระาศาสดาท่านทั้งหลายจงแสดงพระาศาสดาแกเ่เราเถิดเมื่อสาวกเหล่านั้นตอบว่าท่านในเวลาที่ยังสามารถได้ประพฤต เป็นคนมีเวรกับพระาศาสดาข้าพเจ้าทั้งหลายจะนําท่านไปในที่พระาศาสดาประทับอยู่ไม่ได้เดวทวดาจึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายอย่าให้ข้าพเจ้าชิมหายเลยข้าพเจ้าทําอาคาตในพระาศาสดาก็จริงแต่สําหรับพระาศาสดาหามีความอาคาดในข้าพเจ้าแม้ประมาณเท่าปลายผมไม้จึงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงมีพระไัยสม่ำเสมอในบุคคลทั่วไปคือในนายขมังทนูในพระเทวทัตในโจรอุงคุลีมานในช้างธนบานและในพระราหุลพระฉะนั้นพระเทวทัตจึงอ้อนวอนแล้วแล้วเล่าเล่า ว, ว่าขอทั้งทั้งหลายจงแสดงพระผู้มีพระภาคเจ้าแก่ข้าพเจ้าเถิดที่นั้น สาวกเหล่านั้นจึงพาพระเทวทัตนั้นออกไปด้วยเตียงน้อยภิกสุทั้งหลายได้ข่าวการมาของพระเทวทัตจึงกราบทูลแก่พระาศาสดาว่าข้าแต่พระ่งค์ผู้เจริญข่าวว่าพระเทวทัตมาเพื่อต้องการจะเฝ้าพระองค์พิกสุทั้งหลายเทวทัตนั้นจะไม่ได้เห็นเราด้วยอัตภาพนี้เราในยว่า พวกภิกษุย่อมไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าอีกจำเดิมแต่การที่ขอวัตถุห้ประการข้อนี้เป็นธรรมดาพวกภิกษุเหล่านั้นกระลาภูลว่าพระเทวทัศน์มาถึงที่โน้นและที่โน้นนะพระเจ้าข้าพระศาสดาเทวทัตจงทําสิ่งที่ตนปรารถนาเถอดแต่อย่างไรเสียเธอก็จะไม่ได้เห็นเรา แค่แต่พระงคผู้เจริญพระเทวทัตมาถึงที่ประมาณยอดหนึ่งแต่ที่นี้แล้วและตุนต่ อ, ต, อต่อไปอีกว่ามาถึงกึ่งยอดแล้วข่าวุฒิหนึ่งแล้วมาถึงที่ใกล้สาวโบกกรณีแล้วพระเจ้าข้าพระศาสดาแม้หากเทวทัตจะเข้ามาภายในพระเชตวันนี้ก็จะไม่ได้เห็นเราเลยเบิกสาวโบก พระเทวทัตมาวางเตียงลงริมฝั่งสระบครีใกล้พระเชลตวันแล้วตางก็ลงไปเพื่อจะอาบน้ำในสระบครีแม้พระเทวทัตแลลุกจากเตียงแล้วนั่งวางเท้าทั้งสองบนพื้นดินบนพื้นดินเท้าทั้งสองนั้นก็จมแผ่นดินลงเธอจมลงแล้วโดยลำดับ เพียงข้อเท้าเพียงเก่าเพียงเอวเพียงราวนมจนถึงขอในเวลาที่กระดูกกางจดถึงพื้นได้กล่าวคาถานี้ขึ้นมาข้าพรง์ขอถึงพระพุทธเจ้า พ, พระองค์นั้นผู้เป็นบุคคลเลิศเป็นเทพยิ่งกว่าเทพเป็นสารถีฝึกนรชนมีพระจักษุราบครอ บ, อบมีพระลักษณะแต่ละอย่าง เกิดด้วยบุญต้องร้อยว่าเป็นที่พึ่งด้วยกระดูกเหล่านี้พร้อมด้วยลมหายใจในยะว่าพระตถาคตเจ้าทรงเห็นฐานานี้จึงโปรดให้พระเทวดาบวชก็ถ้าพระเทวดานั้นจะไม่ได้บวชใสอยู่เป็นเุลหัดจะได้ทำกรรมหนักมากกว่านี้จะไม่ได้อาจทำปัจใจ แห่งพบต่อไปก็แลครั้นบวชแล้วจะทํากรรมหนักก็จริงถึงกระนั้นก็จะสามารถทําปัจจัยแห่งพบต่อไปได้เพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงโปรดให้เธอบวชแล้วจึงอยู่พระเทวทันนั้นจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านามว่าอติสระในที่สุดแห่งแสนกับ แต่กับนี้พระเทวทัตนั้นจมดินไปแล้วเกิดในเอเวจีและเธอเป็นผู้เคลื่อนไหวไม่ได้ถูกไฟไหม้อยู่เพราะเป็นผู้ผิดในพระพุทธเจ้าผู้ไม่หวั่นไหวสรีระของเธอสูงประมาณหนึ่งร้อยโยต์เกิดในก้นเอเวจีซึ่งมีประมาณสร้อยโยต์ศีรษะสอดเข้าไปสู่แผ่นเหล็ก ในเบื้องบนจนถึงหมวกหูเท้าทั้งสองจมแผ่นดินเหล็กลงไปข้างล่างจนถึงข้อเท้าเหลาเหล็กมีประมาณเท่าลำตาลขนาดใหญ่ออกจากฝาด้านหลังแทงกลางหลังทะลุหน้าอกบักฝาด้านหน้าอีกเหลาหนึ่งออกจากฝาด้านขวาแทงสีข้างเบื้องขวา ทะลุออกสีข้างเบื้องซ้ายปักฝาด้านสายอีกรหลาหนึ่งออกจากแผ่นกระแทกข้างบนแทงกระหม่อมทะลุ อ, อกกระหม่อมทะลุออกส่วนเบื้องต่ำปักลงสู่แผ่นดินเหล็กพระเทวทัตนั้นเป็นผู้เคลื่อนไหวไม่ได้อันไฟไหมในอบีจีนั้นด้วยบระการอย่างนี้ พิสูจทั้งหลายสนทนากันว่าพระเทวทัตถึงฐานะประมาณเท่านี้ไม่ทันได้เฝ้าพระศา ส, สดาจมลงสู่แผ่นดินแล้วพิสูุทั้งหลายเทวทัตประพฤติผิดในเราจมดินลงไปในบัด น, นี้เท่านั้นก็หาไม่ได้แม้ในค ร, รั้งก่อนเธอก็จมลงแล้วเหมือนกันเพื่อจะทรงแสดงความที่บุรุษหลงทาง อันโปร่งปลอมโยนแล้วยกขึ้นหลังของตนแล้วให้ถึงที่อันเกษมแล้วกลับมาตัดงาทั้งหลายอีกถึงสามครั้งอย่างนี้คือที่ปลายครั้งหนึ่งที่ท่ามกลางครั้งหนึ่งที่โคนในวาระที่สามเมื่อก้าวล่วงคลองจากสุแห่งมหาบุุษแล้วก็จมลงแผ่นดินในการที่พระองค์เป็นพระยาช้าง จึงได้ตรัสข้อความในสีละวนาคาชาดกว่าหากจะให้เป็นดินทั้งหมดแก่คนอกตันยูผู้เพ่งโทษเป็นนิดก็ไม่ยังเขาให้ยินดีได้เลยเมื่อคาถาตั้งขึ้นแล้วเช่นนั้นนั่นแลแม้อีกจึงตรัสขันติวาทิชาดกเพื่อทรงแสดงความที่พระเทวทัตครั้งเป็นพระเจ้า กลาภูประพฤติผิดในพระองค์ผู้เป็นขันติวาธีดาบทแล้วจมลงสู่แผ่นดินและตระจุลธรรมปาลาชาดกเพื่อทรงแสดงความที่พระเทวทัตนั้นครั้นเป็นพระเจ้ามหาบตาปะประพฤติผิดในพระองค์ผู้เป็นจุลธธรรมปาลาแล้วจมลงสู่พื้นดิน ก็กลายเมื่อพระเทวทัตจมดินไปแล้วมหาชนร่าเริงยินดีให้ยกธงชัยธงพืนผ้าและต้นกล้วยตั้งหม้อน้ําอันน้ําเต็มแล้วเล่นมหอรสบใหญ่ด้วยปราลบ้าเป็นลาบของพวกเราเนาะพวกพิสุกราบทุลข้อความนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า ฤิสุตัหลายเมื่อพระเทวทัตตายแล้วมหาชนยินดีมิใช่แต่บัดนี้เท่านั้นแม้ครั้งก่อนก็ยินดีแล้วเหมือนกันเพื่อจะทรงแสดงความที่มหาชนเป็นผู้ยินดีในเมื่อพระราชาพระนามว่าปิงกละในกรุงพารณสีซึ่งดูร้ายหยาบช้าไม่เป็นที่รักของชนทั่วไป สวนรกตแล้วจึงตรายปิงคละชาดกเป็นต้นว่าพระโพธิสัตส่กล่าวตามว่าชนทั้งสิ้นอันพระเจ้าปิงคละเบียดเบียนแล้วเมื่อเท้าเธอสวรรค ต, ตแล้วชนทั้งหลายย่อมสวยปีติพระเจ้าปิงคละมีพระเนตรไม่ดำได้เป็นที่รักของเจ้าหรือแน่นายประตูเหตุไรเจ้าจึงเราให้ นายประตูกล่าวตอบว่าพระราชามีพระเนตรไม่ดำหาได้เป็นที่รักของข้าพเจ้าไม่ข้าพเจ้ากลัวแต่การเสด็จกลับมาของพระราชานั้นด้วยว่าพระราชาพระองค์นั้นเสด็จไปจากที่นี้แล้วพึงเบียดเบียนมัจจุราชมัจจุราชเมื่อถูกเบียดเบียนแล้วอาจจะพึงนำพระองค์กลับมาที่นี่อีก พี่สุตตลายทูลถามว่าค้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัด น, นี้พระเทวทัตเกิดแล้วนที่ไหนพระเจ้าข้าในอเวจีมหานรกพิสุ์หลายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเทวทัตประพฤติเดือดร้อนในโลกนี้แล้วไปเกิดในสถานที่เดือดร้อนนั่นแล้วอีกหรือข้อ น, นั้นเป็นอย่างนั้นพิสุตหลายจนทั้งหลายจะเป็นบรรปะชิตหรือข้ะแรก็ตาม มีปกติอยู่ด้วยความประมาทย่อมเดือดร้อนในโลกทั้งสองทีเดียวดังนี้แล้วจึงตรัสพระคถานี้ว่าผู้ทำบาปเป็นปกติย่อมเดือดร้อนในโลกนี้และไปแล้วย่อมเดือดร้อนเขาย่อมเดือดร้อนในโลกทั้งสองเขาย่อมเดือดร้อนว่ากรรมชั่วเราทำไปแล้วไปสู่ทุกติ ย่อมเดือรอนยิ่งขึ้นบาลีว่าอิทัตตปติเปจตตปติปาปการีอุพยัตตปติปาปังเมกตันติตปติพิโยตปติทุกติงกโตก็ในบรรดาคำเหล่านั้นสองคำว่าอิทัตปติแปลว่าย่อมเดือรอนในโลกนี้ หมายความว่าย่อมเดือดร้อนในโลกนี้แค่เพียงโถมนั้นด้วยความเดือดร้อนประกรรมคําว่าเป็นจแะแปลว่าล้าไปแล้วหมายความว่าส่วนในโลกหน้าย่อมเดือดร้อนเพระทุกในอบายอันร้ายแรงยิ่งด้วยความเดือดร้อนพระวิบากคําว่าปาปการี แปลว่าผู้ทำบาปเป็นปกติหมายความว่าผู้ทำบาปมีประการต่างๆคำว่าอุพายะทะแปลว่าทั้งสองหมายความว่าชื่อว่าย่อมเดือดร้อนทั้งในโลกทั้งสองคือด้วยความเดือดร้อนมีประการดังกล่าวแล้วนี้สองคำว่าปาปังเมแปลว่ากรรมชั่วเราทำไ้แล้ว หมายความว่าก็ผู้มีปกติทำบาปนั้นเมื่อเดือดร้อนด้วยความเดือดร้อนเพราะกรรมชื่อว่าย่อมเดือดร้อนด้วยคิดว่าคำชั่วเราทำไปแล้วก็ น, นั้นเป็นความเดือดร้อนมีประมาณเล็กน้อยแต่เมื่อเดือดร้อนด้วยความเดือดร้อนเพราะวิบากชื่อว่าย่อมเดือดร้อนยิ่งขึ้นไปสู่ทุกติ คือย่มเดือดร้อนเหลือเกิน้วยความเดือดร้อนอันหยาบช้ายอย่างยิ่งในการจบกถาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลมีโซดาปฏิผลเป็นต้นแล้วเทศนาได้เป็นประโยชน์แก่มหาชนแหลเรื่องพระเทวทัต